ทุกคนข่าวบวชในพุทธศาสนาโดยอย่างนีใครต้องข้าบัญชา การบวดสมัยพุทธกาลโดยเ่นใหญ่แผ่นเห็นภัยในวัฏตสตงสารบวชเพื่อหาทางขนทุกข์มันจะบวชเล่นบวชนอนบวดอยู่บวดกินบวชมุ่งหวังตั้งใจจะปฏิบัติตัวของตัวและทั่วบำเพ็ญดีจนจิตหลุดไปจากโลกมีกิเลสตัณหา ความมุ่งหวังของทุกท่านที่ออกบวชในสมัยพุทธกาลฉังนั้นการจะทำบาเพ็ญของท่านจึงไม่ย่อย่อนเหมือนพวกเราในสมัยปัจจุบันการงาน <c oughs> <c oughs> ด้านอื่นจึงเป็นสิ่งไม่จำเป็นท่านก็ไม่จะทำชีวิตของรัก บ, บวช อาศัยปัจจัยทั้งสี่จากยาดโยอาหารเรองหนึ่งหมที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงยาแกโรคไข้ไทก็บเป็นหน้าที่ของผู้สองการบุญหวังบุญเขามาทำให้มาได้คุกทีเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆทำไมพุทธการแล้วก็มาไม่ม้าใหญ่ใส่สูงใน ด้านวัตถุอยู่ตามคนไม้อยู่ตามถ้าอยู่ตามโพงไม้ก็มีในเหมือนสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ซึ่งที่อยู่ที่อาศัยพอกันแดดกันฝนได้ก็ยังไม่ยอมจะอยู่จะอาศัยมาอยากสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ให้เป็นที่เรียงลือกัน โดยที่ไม่จําเป็นอะไรพออยู่พออาศัยไม่อยู่ไม่อาศัยมีไม้ถึงขีอยู่ที่อาศัยของกายถึงจะอยู่ที่ดีวิเศษขนาดไหนเรื่องของกายหน้าขี่ของมันบวดแก่ปวเจ็บปวดตายไปตามธรรมชาติถาดขันแต่เรื่องของใจไม่เคยมีใครเท่าไรที่จะ หาที่ถึงที่อาศัยต่างที่อยู่ให้ใจจึงเดือดร้อนวุ่นวายดย้วยกิเลสตัญหารบกวนอยู่ทุกการทุกเวลาลงจิตติดขอ้อแต่เรื่องภายนอกไม่แก้ไขภายในของตัวซึ่งสิ่งที่เรานึกคิดจิตถูกดีชั่วยอย่างไรเป็นไปเพื่อการแก้ไขกิเลสหรือไม่ ไม่ค่อยได้บวกลบดูกันฉะนั้นจึงเธอเรื่องการก่อสร้างยิงต่างๆโดยส่วนใหญ่การสร้างใจไม่ค่อยแต่ทำบ่มเพนเมื่อเป็นอย่างนั้นด้านจิตใจที่จะนำความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้ก็เลยไม่มีเราเคยเห็นทัวไปไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยพุทธกาล ปราสาดีมานของพระพุทธเจ้าก็ทราบดีผู้ที่เคยอ่านพุทธประวัติว่าท่านอยู่อย่างไรที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงการเสมอของท่านวิเศษประเสริฐขนาดไหนที่บรรทมที่ประทับต่างๆท่านเชื่อว่าเรื่องที่อยู่ที่อาศัยของกายไม่เป็นของสําคัญไม่เป็นของ วิเศษเพราะวิเลษที่มีอยู่ในใจไม่หลุดหลนหรือตกออกถึงจะได้อยู่ที่อยู่ที่อาศัยดีวิเศษขนาดไหนเรื่องของใจที่มีวิเลษมันก็ไม่มีเมืองพอนี่ใจอยากเลื่อนไปความอยากของใจเป็นอย่างนั้นแต่นั้นจึงไม่มีความสุขมนุษย์ทั่วโลก เบืต้นที่อดขี่จนที่ยุ่งที่ยากลำบากขาดแพนต่างๆหากมีเงินมีทองมีเทามีของอย่างนั้นอย่างนั้นเราคงจะมีความสุขความสบายความนึกคิดในจิตใจเป็นอย่างนั้นเพราะได้จริงที่ตนปรารถนานึกว่าจะมีความสุขมาใจมันก็คืบหน้าคิดปรุงไปเรื่องใหม่อยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อ น, นี้ ไม่ว่าจะที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึง <c oughs> หน้าที่การงานเหมือกนกันมันมีเวลาจบถึงจะเป็นผู้ลักผู้ใหญ่ขนาดไหนแย่งชิงกันอยู่สมัยปัจจุบันก็เคยได้ยินาทาั้งที่นี่อยู่มีจิตในอดไม่อยากนี่คือความเป็นของจิตของใจที่มีปิเลตปัญหารบกวนมันมีวันเวลาที่จะ อยากเย็นเป็นสุขได้ถ้าหากมองถึงเรื่องของใจเหมือนกันกับเรื่องของกายอยากได้อยากเห็นอยากเป็นในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นมันบําเพ็ญกระทำอย่างเอาจริงเอาจังทุกคนในโลกควรจะมีความสงบสุขไปเดียดเดียนกันไปวุ่นวายกัน เพราะจริงที่จะเดียดเบียนวุ่นวายมันเกิดขึ้นจากใจใจถ้ามีสติมีปัญญาพอคิดออกนอกฝั่งฝาเขา อ, อาจทมกดเตือนตัวเองสอนตัวเองว่าเป็นเรื่องผี่จิตคิตจรุงไปนอกทาไปเสียทางที่จะทำความสงบแก่ตัวของตัวได้เราแก้ตัวของเราอย่างนั้นทุกท่านแก่ตัว อย่างนั้นโลกมันจะมีเรื่องอะไรวุ่นวายกันนี่มันไม่คิดไม่สอนตัวอย่างนั้นมันจึงวุ่นวายเดือดร้อนจริงตลอดมาแต่นั้นทางพระพุทธศาสนาที่มีธรรมมาสอนโลกพระพุทธเจ้าถันทราจริงสาวกถันทรามจริงไม่ทำเล่นแต่ทำมอมเพ็นอย่างจริงจริงจังๆทุกระยะทุกเวลา ภาวนาสำลักชี้เลดไม้ว่าอิริยาบถใดจะนั่งจะยืนจะเดินจะขบใจฉันจะไปจะมามีสติรักษามีปัญญาเน้ยสอนไม่เผอปล่อยให้ชิเลสลุม ก, กัดจินหัวใจของตัวสำลตะสระอยู่เสมอไป่านเชื่อว่าเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลา คามเทียนที่ท่านตั้งหลักเอาไว้ที่พวกท่าเนเณรเคยศึกษาตามตำรับตําราท่านก็กล่าวเอาไว้คนที่มีจิตใจเป็นความเทียนหรือชื่อว่าความเพียนสังวรประทานเทียนสังวรระวังชั่วระวังบาปภายนอกไม่ให้มาเกาะเกี่ยว จิตใจทั้งตัวระวังอย่างไรระวังตาที่ไปประสบพบกับรูปที่สวยงามว่าใครคิดติดข้องรักกำหนักถ้าไม่ชอบไม่สวยไม่งามไม่ยินดีตัวเกิดยินร้ายเกิดความไม่พอใจหงุดหิดเหนื่อเครื่องจิต ของผู้ทุชนธรรมดาเป็นอย่างนั้น่านจึงให้สังวรตาระ ว, วังรักษาจิตใจของตัวไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปที่ตาเห็นหูก็เหมือนกันตลอดถึงใจที่ไปใส่คิดในเรื่องต่างๆในอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราระ ว, วังชั่วสังวร จิตใจเอาไว้ด้วยสติใจใหมมีโอกาสเวลาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกความปรุงของใจปรุงไปในทางสชำระปรุงไปในทางแก้ไขปรุงไปในทางอักธรรมจิตจะมีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ตามกําลังของสติของปัญญาของตัว พาไปปล่อยให้ไปเกี่ยวข้องเรื่องชั่วภายนอกทหารประทานชำระภายในดืวใจที่มีความหัดข้องรู้เห็นภายในใจไม่เด่นไม่แจ้งไม่ไปจากที่นี้ทีิจรณา ไที่เฉี่ยตัณหาที่ค่องจิตจิตใจมาแต่เก่าก่อนส่วนโลภโกรธหลงส่วเสียต่างๆให้ตกออกไปเรือกเรียกว่าประหารประทานคือำํำระจิตใจภายในความชั่วภายในให้ลุกให้โหล่นออกไปภาวนาประทานหมายถึงสร้างความดีอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะมีความสุขแก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นให้มันทำมันพูดมันคิดในสิ่งนั้นนั้นอย่านอนใจอย่าเพิกเฉยพยายามทำอยู่ทุกระยะทุกเวลาเว้นไม่แต่นอนหลับเท่านั้นพยายามทำความดีที่ยังไม่เกิดไม่มีให้เกิดให้มีขึ้นเช่นทีน เราเคยขาดเคยด่างท้อยต่างๆรักษาให้ดีไม่ให้มีจุดหัื่เสียสมาธิวามตั้งมั่นของใจงสึกอบรมให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในอัตในธรรมอย่าให้แสสายไปตามสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาหรือกลงขึ้น ปัญญาแนะสอนจิตสม่ำเสมอที่นิพพิจรารณาเรื่องของกายเรื่องของสร้างขานไม่ว่าสร้างขานอะไรทั้งตัวเองและคนอื่นหรือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเข้าเกี่ยวข้องให้รู้ให้เข้าใจไปจากชาัดเจนตามเป็นจริงของสร้างขาน เมื่อเราพยายามรักษาจิตสังวรไม่ให้เกี่ยวข้องชั่วชำระชั่วที่มีอยู่ให้ตกไปพยายามทํากายใจท่องตนให้ดีวิเศษไม่ให้คิดในทางผิดทางชั่วต่างๆจิตใจเมื่อไม่มีไภไมัยมาเกี่ยวข้องจิตใจตัวสุขจิตใจตัวเยือกเย็น จิตใจกว่าสบายอนุรักษนาไปทานพยายามรักษาจิตที่เป็นสมาธิมีความหนักแน่นมีความสงบมีความลงรวมต่างๆเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียขวัญควยมาแล้วรักษาเอาไว้ไม่ให้เสียให้หายไป จนจิตใจจะถึงจุดพอของมันจุดพอเป็นอย่างไรนี่ต่บไปควรอธิบายกันเมื่อเราบำรุงด้วยความดีสม่ำเสมอไปจุดพอของใจจะมีจุดพอนั้นทุกท่านจะรู้เองเป็นสันทิฏฐิโกรหรือปัจจดตตังว่าจุดนี้เป็นจุดพอ ของจิตไม่มีการคิดสงสัยว่าจะมีอะไรอีกแระเสดวิเศษภพชาติจะเป็นอย่างไรข้างหน้านิพพานอยู่ที่ไหนไม่มีการสงสัยเพราะเข้าใจไปจักในความพอของตัวเหมือน ก, นกันกับทานอาหารขันจังหันมันอิ่มเป็นอย่างไรไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่ารู้เข้าใจในความอิ่มของตน ทัไปถึงจะเป็นใบปากไม่ออกก็รู้จักฉันใดการปฏิบัติเรื่องจิตใจขอทำนองนั้นไม่มีอะไรที่จะปกปิดในการกระทำบ่มเพ็ญของตนทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจเมื่อปฏิบัติไปถูกต้องทมหลักอาจทำความจริงทำและอาจทำเปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรนอกจากตัวของเรา ไม่มีปัญญาเท่านั้นจึงเกิดเป็นปัญหากว่าธรรมะหรืออาธรรมไม่แสดงผลให้ความจริงมันแสดงอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาท่ารจริงเรียกว่าอริยสัจเป็นของจริงลบไม่ได้เพิ่มอีกก็เพิ่มไม่ได้มันจริงอยู่ขนาดไหนอย่างไรจริงอยู่อย่างนั้นแต่จิตใจของเราไม่จริง ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นก็เลยถือว่ า, วป เ, าเป็นของใหม่จริงไปเสียเพราะจิตยังใหม่จริงถ้าจิตเป็นของจริงแล้วเห็นอะไรเป็นอย่างไรเข้าใจตังแก่ต้นจนอาวาสานในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไมมีการติดข้องไม่มีการเย็ดถือพอรู้เข้าใจไปจกักในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงของมันมีเลือกและปัญญาถึ่งเป็น เรื่องที่จะให้พวกเราศึกษาเพราะศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นใจศกขาเป็นหน้าที่ของนัก บ, บวชทุกคนจะสนใจฝึกอบรมตัวให้อยู่ในขอบเขตม่อย่างนั้นการบวชก็่าจะมีคุณค่าสาระประโยชน์อะไรบวชเกาะบวชอาศัยพระศาสน า, า, า, า, าจิน เลยเป็นกาฝาของศาสนาอาัตธรรมที่แน่นอนจริงจังภายในตัวไ ม, ม่มีพอครูอาจารย์หรือท่านผู้รู้ท่านมรณภาพไปตายไปตัวเองก็ตั้งตัวไม่ได้ตั้ ง, ง, ง, งตัวไม่ติดเพราะจิตใ จ, จไม่มีอัตธรรมแต่นั้นทุกท่านเมื่อโอกาสดีมีเวลา มาบวชในาศาสน า, าึ่งตั้งหน้าต่างตาต่อพฤติปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกต่ทำบาเพนอย่างเอาจิงเอา จ, งอาจังอย่าทำเล่นเพราะการทำเล่นผลไม่เคยเกิดหรือเกิดก็นิดนิห น, น, น, น, น่อยๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้ททำเล่นผลมันไม่ค่อยดีขอให้ทำจริง ที่พระพุทธเจ้ารู้หลือครูอาจารย์นํามาสอนไม่ใช่เรื่องอื่นซึ่งนี้อยู่ในตัวโคกโขกเราท่านทุกคนท่านไมนได้นำมาจากที่อื่นมาแนะมาสอนแต่จิตโคกเราใจของเรามันยังไม่เข้าถึงธรรมะก็ขเข้าใจว่าท่านเอาธรรมะมาจากที่อื่นหูผู้เห็นเรื่องของธรรมะ มาแนีสอนโดยส่วนใหญ่ท่านก็ฝึกกายฝึกใจของท่านรู้ขึ้นเห็นขึ้นประจักษ์ขึ้นเป็นจริงขึ้นในตัวของท่านแต่คนอื่นจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นนั่นเป็นหน้าที่ของเขาเมื่อท่านฝึกตัวของท่านได้ตัวของท่านดีท่านก็ไม่มีปัญหาจะอยู่หรือจะตายก็ไม่มีการเสียใจใครจะเลื่อมใส หรือดูมิหนินทาก็เป็นเรื่องของเขาคนที่ดูมิหนินทาเขาก็จะมีความเดือดร้อนจิตใจของเขามีความแผดเขาชว่วเสีย้าเขาคิดดีมีการแต่ละเสริญเยินยอมีการเลื่อมใสสศรัทธาก็เป็นเรื่องของเขาอีก เขาจะมีความดีของเขามีความสุขของเขาส่วนเราเป็นอย่างไรไม่ต้องไปอิงอาศัยเรื่องโลกเรื่องลมปาเรื่องคนอื่นความบริสุทธิทธ์ผุดผองของเราเป็นอย่างไรไปจากอยู่ในใจของเราใครเขาจะไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเขานี่คือกา ร, ป, รปฏิบัติถึงอัดถึงทำไม่มีการเอียง เดียวข้อกับเรื่องอะไรเพราะทำเป็นของพอดีไม่มีการที่จะเติมได้สม่ำเสมอเสื่อมเสมอไายแต่วันรู้วันเข้าใจไม่มีอะไรที่จะสงสัยตัวอีกทำไมจิตจึงเสื่อมทำไมจิต จึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการสงสัยเพราะความบริสุทธิ์ของใจตั้งแต่วันถึงความบริสุทธิ์จนตลอดวันนิพพานใจอันนั้นจะบริสุทธิ์ตลอดการตายไปก่าตายไปตั้งแต่เพียงขาดขันความบริสุทธิ์ส่วนนั้นไม่มีเสียไม่มีตายเป็นความบริสุทธิ์เสมอไป ท่านจึงมีใจมีจิตสบายมากกว่าเรื่องคนในโลกพอสมบัติเขาของเงินทองต่างๆเราหามาได้ต้องมีการรักษาหามาได้ต้องระวังภัยอันตรายกลัวเขาะจะบปน่นจีขาดจีต่างๆส่วนสมบัติของธรรมะถ้าผู้ใดมี ภายในจิตในใจของตัวรู้สึกว่าสุขมากสบายมากไปที่ไหนก็ไม่ต้องหาคนอื่นหาถ้าไปให้ไม่ต้องหาค้านะมันทุกไปมันอยู่กับใจตลอดการทวามสุขก็ไม่ต้องไปแอบองิงพิงอาศัยอาณาส่วนอื่นสุขในธรรมเป็นสุขที่ดีวิเศษ ที่สำาักจีเลียตัญหาตรงออกจากใจจะไปอัศจรรย์อะไรสงสัยอะไรจึงไม่ต่างใจกับพืชปฏิบัติโลกอันนี้มันไม่มีอะไรที่น่าสงสัยวันคืนก็บของเก่านี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็มีมืดมีสว่างมีวนันมีคืนทถานี้ถ้ามมตเป็นวันเป็นคืนกววันคืนนี้แหละ ไปสมมติเป็นสั ป, ปดาห์เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ใช่อันอื่นแล้วกกลับย่อนมาขค้งเก่าก็หลงกันอยู่แค่นี้เรื่องความเกิดความตายก็ทำนองเดียวกันจิตจิตไปลุ่มหลงวุ่นวายชือว่าเพราะอย่างนั้นงามอย่างนี้ก็เพราะจิตอาาัตติจิตมีกิเลสจิตไม่มีธรรม จิงไปตะคุกเงาของโลกแล้วก็ผิดหวังเลื่อยไปทำให้ใจเดือดร้อนทำให้ใจวุ่นวายแทนที่จะสุขจะสบายไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องจิตที่มีกิเลสตัณหาเกี่ยวข้องกับด้านวัตถุมันไม่มีความสุขที่แน่นอนจริงจัง ให้พิจารณาอย่าไปติดไปคล้องอย่าไปยึดไปถือถ้าหากพิจารณาถึงฐานของมันมันปล่อยเองวางเองเรื่องของจิตถ้าพิจารณาไปถึงฐานมันก็จะไม่ปล่อยไม่วางเหมือนอาหารเรายังไม่อิม่มเราก็ยังทานอยู่ฉันอยู่ถ้าเราอิม่มถึงอาหารมันจะเต็มถ้วยเต็มจานอยู่ขนาดไหน ม, มันจะไปเป็นปัญหาสําหรับคนอืม่ม จะขนไปที่ไหนขนไปเถอะเพราะเราอิ่มแล้วไม่จำเป็นที่จะไปนั่งเฝ่านอนเต้าฉันได้ทำคำสอนของพุทธเจ้าก็ททำนองเดียวกันสอนให้พวกเราตรองพษ่ปฏิบัติจนจิตใจถึงขั้นอิ่มคือไม่มีความอยากความปรุงอะไรอีกไปจาก ทั้งรู้ทั้งเห็นชัดเจนในตัวไม่เพียงแต่รู้แต่ไม่เห็นไม่เพียงแต่เห็นแต่ไม่รู้โดยส่วนใหญ่ที่เราศึกษาตำหรับตำลารู้แต่ไม่เห็นรู้ตามตำหรับตำลาแต่ความเห็นความเป็ียนในจิตในใจมันไม่เป็นไปให้ถ้าหากทั้งรู้ทั้งเห็นคือผูกกับพืชปฏิบตัต นี่มันสัญญาจำมารู้เพียงสัญญาไม่รู้ด้วยวิชาไม่รู้ด้วยญาณไม่รู้ด้วยวิมุตจิตมันจิงติดจิงข้องจะศึกษาไปเท่าไรประโยคแต่ประโยคเก้าศึกหาลาโพดออกไปนับไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะใจไม่เป็นไปตามธรรมะที่ศึกษามาที่เรียนมาเกื่ยวกการศึกษาทางด้านปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้น คือตั้งใจทำจริงจังสมาธิในตำราเป็นอย่างหนึ่งสมาธิในกิจเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราจึิงไม่มีทางที่จะแก้โรคใครถ้าเป็นตำร า, ายา ก, ก็าดีตำราอาหารกม็มีการที่จะเอามาฉันมาทานให้อีกเพื่อแก้หิวได้แต่ตัวอาหารจริงๆกับตำราที่เขียนไว้มันขิดกันฉะนั้นการต่อไปปฏิบัติเราร้เราเห็นเราเป็นอย่างไร เข้าใจในตัวของเราวันนี้จิตใจวุ่นวายเกี่ยวข้องเรื่องต่างๆภายนอกเราได้ภาวนาได้ตั้งสติรักษาได้เอาปัญญาไ้ ค, ควรเรื่องต่างๆที่จิตคิดฟุ้ง น, นั้นนั้นจนเข้าใจกระจาักจิตลอยวาง ส ง, งบรั ง, งับมันรู้มันเข้าใจภายในของตัวสมาธิตรรากล่าวไว้ว่าจิตตั้งมันม่นมันม่นขนาดไหนมันเป็นอย่างไรท่านี้กะตั้งได้ตัวนขณะจุกู่อุปจ า, าระพอรวมลงไปออกรู้สิ่งต่างๆภายนอก อปนาสงบแนวแน่้ยนี่ตำหรับตำลาแล้วมันเป็นอย่างไรภายในของเราเข้าใจไหม ท, ทั้งทั้งที่ท่านบอกมาจากชัดเจนขนาดนั้นแต่เราไม่เป็นไม่เห็นมันก็ยังสงสัยอยู่ถ้าเราเป็นเราเห็นเราจะพูดไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจอยู่ในตัวของเราตามสงบของใจเาะจิตเคยคิดตรง อยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงบเียงแต่เราบริกรรมหรือกำหนดลมมันอยู่กับลมเราก็รู้จักมันส่อยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ก่อเกี่ยวกับคำบริกรรมกับลมหายใจอะไรรวมลงไปหาจากสัญญาอารมณ์ชั่วคู่ชั่วพาวเท่านั้นใจนั้นก็ได้รับความสุขความสบาย จะไม่เชื่ออย่างไรความสุขในโลกเราเคยผ่านมาสุขจากการดูสุขจากหูได้ยินดิ้นในรถกายถูกต้องสัมผัสมันเคยประสบพบมาแต่ความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรความสุขห้องใจที่ปล่อยวางกิเลสสุขเกิดจากความสงบสงบสุขเกิดจากอาจากัจฉาิยธรรมมันเป็นอย่างไรเราก็รู้ก็เห็นอีกเมื่อรู้เมื่อเห็นมันก็เทียบกันได้ ความสุขภายนอกกับความสุขภายในเมื่อเทียบกันได้อะไรมันดีวิเศษกว่ากันเราก็ทราบอีกสิ่งที่มันดีมันวิเศษใครเราไม่ต้องการใครเราไม่อยากได้ีความสุขของสมาธิความสุขของจิตปล่อยวางสัญญาอารมณ์เพียงชั่วระยะชั่วขณะเท่านั้น มันยังเกิดอัศจรรย์เกิดความสว่างสวัยเกิดความเบากายเบาใจถึงสิ่งเหล่านั้นมันจะมาหุ้มหอ่อจิตใจอีกมันก็มีอุบายปัญญาและเชื่อมั่นอยากจะกระทำบมเพนญฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงอาจาระศรัทธาความตั้งมั่นของจิตด้แก่พระโสดาขึ้นไปเห็นมาจากชาัดเจนในขณะ แต่ทำบำเพ็ญชั่วแคบเดียวเท่านั้นแหละแต่เชื่อมั่นไม่อย่างนั้น้าจิตเป็นอยู่ตลอดเวลาสงบอยู่เห็นอยู่แต่เมื่อไประตุาดาคงจะไม่มีครอบครัวผัวเมียกันเพราะจะไม่หลงไปจิตคลองแับเรื่องภายนอกธาโสดาตั้งมั่นเชื่อมั่นในศาสนาก็เพราะจิตได้ไปสัมผัส ไปไปรู้ไปเห็นเด่นชัดในช่วงระยะเวลาที่กระทำบำเพรนภาวนามันสงบมันสุขเหมือน ก, นกันกับน้ำในสระที่มีจอกมีแหนะปกคุมหุ้มอยู่เราไปเปิดดูเห็นน้ำในสระก็มีน้ำจริงและใสรสชาติจืดสนิทได้ดื่มด้วยพอเรา ดื่มตักมาดื่มมาฉันแล้วจอกแหนมมันหุ้มเข้ามาอีกแล้วก็เชื่อว่าจอกแหนมที่หุ้มมีน้ำอยู่ข้างในจิตใจของเราที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามเรื่องต่างๆเราก็รู้ว่าความสุขของอจของทามีในตัวของเราพอเราเห็นเราเป็น ไม่ใช่คนอื่นหามาให้แต่เราทายังไม่ถูกยำทำยังไม่ถึงอีกจกิตใจจึงฟุ้งฟูงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็พยายามทาเรื่อยไปแต่นั้นพระโสดาจึงมีคติแน่นอนป้องกันเรื่อง่วดเสียอาบายภูมิได้เพราะทาสิ่งที่ดีอยู่เรื่อยไป จิตใจของพวกเราท่านหากมันถึงขั้นสงบจริงจังรู้เห็นเด่นชัดมันก็เจียบได้กับเรื่องของโลกกับเรื่องของธรรมเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นในใจก็มียิงทาไปบ่อยเห็นไปบ่อยลาไปบ่อยคลอนไปบ่อยมันก็ยิ่งเผิดเชินในการกระทามของตอนพอมันไปสบพบเห็นสิ่งทิ่ตนต้องการถึง การกระทาจะลำบากเป็นทุกข์ขนาดไหนก็สู้อดสู่ทนทํเพราะเชื่อมัน่นว่าการทาแบบนี้มันได้ผลดีเป็นเครื่องตอบแทนไม่ใช่ทางชั่วทางเสียจึงพยายามทาเรื่อยไปการตรอพืชปฏิบัติหากมุ่งมั่นจริงจังว่าชาตินี้เป็นปฏิบิมชาติทองตัวจะไม่ยอม มาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะเพื่อปฏิบัติให้หลุดให้พ้นถ้าตั้งมั่นอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ย่อหย่อนควารู้ความเห็นม่นอดในทำจะเกิดจะเห็นจะเปนขึ้นแต่อย่าไปคาดหมายเราทาอยากได้อันนั้นทำอยากได้อันนี้น อ, ย อ, นนอย่าไปคาดหมายให้บํารุงให้รักษาสติคงตนปัญญาคงตน รักษาจิตรักษาใจอย่าให้คิดไปในทางผิดคิดไปในทางอาธรรมแนะสอนตัวอยู่เสมอมีสติรักษามีปัญญาแนะสอนจิตไม่ได้คิดแวบออกไปสู่อารมณ์ภายนอกมีแต่ใข่คิดในเรื่องของธรรมเสมอไปใจมันก็มีสมาธิ มีความหนักแน่นพอลงรวมก็รงรวมได้เวลาอยากจะให้รงรวมเวลาถอนขึ้นมาจิตที่จะไปไขจิตจิตขอ้องกับเรื่องกิเลสตัญหาภายนอกนันก็หมดไปเพราะเห็นอำนาจของธรรมที่เรากวรพฤจาปฏิบัติการรักษาจิต เป็นของรักษายากแต่ก็ไม่เหลือวิสยัยการฝึกจิตเป็นการฝึกยากแต่ก็พอฝึกได้หากจะเอาจริงเอาจังถ้าไม่มีครูฝึกได้ธรรมะก็ไม่เกิดขึ้นในโลกไม่มีครูมีอาจารย์มาเนี่ยสอนท่านที่รู้ที่เห็นที่ดีที่เด่น ท่านมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันกันกนกบเราเราทำไมยิงจะไปตีตัวตายก่อนไข่ว่าไมีมวาสนาไม่มีบุญบารมีการทำของเราทำขนาดไหนพระพุทธเจ้าสลบสลายครูอาจารย์ทุกท่านยอมเสียสละยอมตายเพราะการกระทําถ้าไม่เห็นไม่เป็นท่านยอม ท่านเป็นผู้กล้าหาญอย่างนั้นท่านจึงได้ทำมาประจําใจของท่านเราเียงทําเล่นๆแล้วอยากเห็นอยากดีอยากวิเศษมันเป็นไปไม่ได้แต่นั้นจะพากันจต่ทําบําเพ็ญหน้าที่ของพระของเนรไม่มีอะไรขอวัดปฏิบัติภายในวัดตัว น, นิดๆหน่อยๆการเวลาที่จะกระ ท, ำำทําบําเพ็ญมีมาก ไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนถึงร้อนลมเงาที่ภาคกีอาใสสพมีทางหลบได้ถึงหนาวก็มีผ้ามุ่งผ้าหม่มพอาี่จะทําได้อีกเหมือนกันหากไปถื่อว่าร้อนเกินไปหนาวเกินไปไม่อยากทําอะไรมันเป็นไปไม่ได้เขาทําไร่ทํำนาะปีได้ข้าวเลยปลามา ถวอยทานไม่ใช่ของเล่นเล่นหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินไม่กลัวแดดกลัวฝนไม่อย่างนั้นก็ไม่สำเร็จไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรเป็นคนอดอยากอยากเย็นเ็นใจเขาตั้งใจทำจริงๆตื่นจะดึกออกมาทำงานท้ามมือจึ่งจับจับ ถุงจากนาของเขากลางวันไห่มีการพักผ่อนหลับนอนสะดวกสบายอะไรก้มหน้าก้ม ต, ตาทํางานอยู่อย่างนั้นการอยู่การจินของเขาก็ไม่ใช่ท้องดีวิเศษอะไรในเหนือเวลาที่เขาทํางานมีอะไรมากกว่าทานกันไปใครจะไปหาท้องดีท้องดีก็ไม่มีเวลาที่จะทํางาน งานก็จะไปเส็จนี่พวกทำไรทำนาเขาทำกันอย่างนั้นพวกเราท่านที่ประพฤติปฏิบัติก็ควรจะมุมานะพยายามสู้กับสิเลตัญหามุ่งหน้าทำทำเตียนจริงจังไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นผลตงึตงท้องตนงก็จะไม่มีความสุขพยายามทำให้เห็น ให้เป็นให้ดีให้เด่นคนอื่นทั่วโลกเขาไม่รู้ไม่เห็นเขาจะศีลนินทากว่าศาสนาเสื่อมไม่มีมรรคไม่ผลนั่นเป็นเรื่องของเขาเรารู้เราเห็นเราพอใจในเราเป็นพอไม่ต้องสอนคนอื่นไม่ต้องแนะคนอื่นสอนตัวแนะตัว หาใส่ตัวถ้าตัวได้ตัวเห็นตัวดีตัวเด่นแล้วความลับไม่มีในโลกนัดกิโลเกีลโหลานามะความลับไม่มีในโลกเขาจะต้องเห็นเขาจะต้องรู้เพราะข้อวัดปฏิบัติเพราะอาจทำภายในตัวของเรามันมีเราจะฉายแสงออกไปเอง เน่ต้องประกาศว่าเรา ด, เดีเราเด่นเราวิเศษประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันกันกบดอกไม้หอมหอมพอแยมออกมาไปต้องประกาศฮะแมลงผู่แมลงผึ่งมันมาเองเพราะเห็นมีดอกไม้หอมหอมมีดอกไม้ดีๆเกิดขึ้นฉันใดถ้าทรรมวินัยธรสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นเราเป็นเราดีเราเด่นโดยการสรรพฤิิปฏิบัติ มันก็เป็นแันนั้นผู้คนประชาชนที่สนใจในบุญในกุศลเขาจะมาเองหาเองจาดเองไหวเองเลื่อมใสเองเราจะบอกจะสอนหรือไม่บอกไม่สอนไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้าในส่วนสาวก ต้องสอนตัวเองต้องทำตัวเองให้ดีวิเศษไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปประกาศาศาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศในตัวของตัวก่อนให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นเถอะไปสถานที่ใดจะไม่อดอยากยากจนีิเลตัญหาจะไม่มีทางเกี่ยวข้องกับใจอีก ความสุขความสบายจะไปจากในตัวเองนี่คือการประพปฏิบัติตัวไม่ดีตัวไม่มีอาจมีธรรมแล้วอยากแก่ให้คนอื่นเขาเหลื่อมใสอยากแกให้คนอื่นเขาสรรเสริญเยินยออยากแก่ให้คนอื่นเขากล่าวว่าเกี่ยวข้องตัวของตัวเองก่ ทาบดีอยู่ว่าจิตของตัวชั่วเศร้าหมองเดือดร้อนจิตปุ๊บในทางไม่เป็นอาจเป็นธทำตัวของตัวกว่ายังตั้มหนีตัวได้คนอื่นที่มีหูมีตาเขาก็่าตั้มหนีเพราะตัวไม่ดีเพราะให้สร้างตัวให้ดีเถอะสร้างตัวให้ดีแล้วทำรักษาผูกกับพฤติธรรม เรบรียอยทิ้งจะไปอยู่ในสถานที่ใดไปเถอะปาลึกขนาดไหนห่างไกลจากการคมนาคมก็มีปที่ก็จะไปรู้ไปเห็นไปทำบุญทุนทานด้วยนี่คือจิตใจของผู้ปฏิบัติดีทำที่ปัะเพื่อปฏิบัติ ด, ด, ททต ด, ดีแล้วนำความสุขมาให้ ตามสูข ก, กายสูขใจเป็นไปพอสมควรไ่ปจอยที่ฉะนั้นพวกเราท่านซึ่งเขาถือว่าเป็นนักบวชนักปฏิบัติจะรีบเร่งแต่ทาบำเพ็ญส่วนใดที่ควรละพยายามพิจารณาละถ้าหากปัญญายังไม่พอห้ามสังวรเอาไว้อย่าให้ใจไปคิดลุ หาเรามีปัญญาพอะจะต่อสู้กับทิเหลืตัญหาได้ที่จนาจรณามันคือหาทางที่จะแก้ไขจิตจะบริสุทธิ์ได้จิตจะถึงมีมดได้พออาศัยปัญญา